มะยังพันตีวิสุงวิสุงราคานาชายติสรเนนะสาฮาปัญจศีลอนิยจามาตุติยัมปิมะยังพันตีวิสุงวิสุงราคานาชายาติสรเนนะสาฮาปัญจศีลานิยจามา ตาทิยปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักานาทายังติสรนเนนะสังปัญจศิรานิยจามังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 พุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุติยัมปีธรรมมังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมมังสรนังคขจามิทุติยัมปีสร้างขังสารนังขจามิทุติยัมปีสร้างขังสรนังขจามิตัดติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตัดติยัมปิพุทธังสรนังคขจามิ ตาีย่ำปีธรรมมังสารนังคาชามิตาทีย่ำปิธรรมมังสรนังคาชามิตาทีย่ำปีสร้างขังสารนังคาชามิตาทีย่ำปีสร้างขังสรนังคาชามิปานาติปาตาเวระมณีสิขาประทังสมาธิยามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีส uh ิกขาปะทังสมาธียามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธียามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธียามิ กามสุ ara, มิชาชราเวรมนีสิกาปะทหังสมาธิามิมุสาวาธาเวรมนีสิกาปะทหังสมาธิามิมุสาวาธาเวรมนีสิกาปะทหังสมาธิามิ สุราเมรยะตมะชะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธียามิสุราเมรยะตมะฉะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธียามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันตี สีเลนะผูขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสณทะเย็นสาทุกรั ม, มาจาลกาดิปติสามปพติกาชะอัญชริอันติวรางให้ยาจาร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 สัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขปริจจาคาปะเสเจเวิปุหลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสำปัสังวิปุหลังสุขันตีอีบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในมัตตาสุขปริจจาคกตถา ว่าด้วยการสละการยอมสละประโยชน์สุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขอันกว้างใหญ่ไพศาลเพื่อเพิ่มภูลกุศลบุญยราศีส่วนธรรมสวรรใหม่แก่สาธุชนทั่วไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งได้อาราธนามาให้แสดงธรรมในวันธรรมสวระวันนี้ ตามสมควรแก่เวลาพระพุทธภาษิตในธรรมบทขุตกนิกายที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทธธสบทแห่งพระธรรมเทศานานี้แปลความได้ว่าถ้าเล็งเห็นประโยชน์สุขอันกว้างใหญ่ไพบูนเพราะยอมสละความสุขส่วนน้อยนักปราดเมื่อมองเห็นประโยชน์สุขอันไพบูนก็ พึงยอมสละความสุขส่วนน้อยเสียความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใครๆก็อยากได้ความสุขแต่ความสุขก็มีหลายระดับหลายชั้นในขั้นโลกียธรรมสหรับคนทั่วไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เรียกว่าขิสุขคือสุขของคารหัสครวาด ผู้ครองเรือนทรงจำแนกไว้เป็นสี่ประการคือ 1. อัติสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์คือมีหนทางประกอบอาชีพทำการงานให้เกิดทรัพย์เกิดรายได้ทำให้มีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวหรือการครองเรือนเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่ง เพราะถ้าบุคคลขาดหนทางในการทำให้มีรายได้โดยชอบก็จะอับจนเป็นคนยากไร้ไม่สามารถมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพได้หนทางให้เกิดรายได้สหรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอาจมีได้หลายหลากมากวิธีการเช่นประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกให้เกิดพืชผลภานิชยกรรมการค้าขายหากำไรการทำงานในสานักงานต่างๆโดยได้รับเงินเดือนค่าจ้างค่าแรงงานเป็นผลตอบแทนเป็นต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นหนทางให้เกิดรายได้โดยชอบเป็นอัธิสุขความสุขเกิดจากการหาทรัพย์ได้ เป็นคิหิสุขสุขของครืหัสประการที่หนึ่งสองโภคสุขความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆตามหลักโภควิภาคคือการแบ่งส่วนรายได้เป็นสส่วนคือเอเกณะโภเคพุญชัยยะส่วนหนึ่งหรือหนึ่งในสส่วนใช้ไปในการเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัวดูแลบิดามารดามิตรสหายใช้จ่ายทําบุญทานการกุศลต่างๆเป็นต้นตามสมควรแก่ฐานา น, นุรูปทวีหิกรรมมังประโยชน์ใช้เป็นต้นทุนประกอบการงานอาชีพเสียสองส่วนในการประกอบการงานอาชีพนั้นการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ถ้าขาดการลงทุนการประกอบการก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ให้ใช้ครึ่งหนึ่งของรายได้ไปในการลงทุนประกอบการและจะตุดถันจะนิทาปเยส่วนที่สี่เก็บออมไว้ใช้ในคราวจำเป็นเร่งด่วนในการดําเนินชีวิตบางครั้งเกิดเหตุจำเป็น นอกเหนือจากที่ตระเตรียมไว้การเก็บออมไว้บ้างก็ถือได้ว่าเป็นความไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเกิดกิจจำเป็นเร่งด่วนก็จะไม่ลำบากจนเกินควรนี่เป็นขีหิสุขประการที่สองสอนนานสุขความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้ หมายถึงนี่ที่เกิดจากการใช้จ่ายที่เกินความสามารถเกินฐานะของตนจนเป็นจนเป็นภาระถ่วงความเจริญที่จะเกิดขึ้นจากความสามารถที่แท้จริงของตนบุคคลเมื่อปลอดภาระนี่ที่เกินฐานะเกินความสามารถเช่นนี้ก็ถือได้ว่ามีความสุขได้อีกอย่างหนึ่ง เป็นขีหิสุขประการที่สามสีอนวัชสุขความสุขที่เกิดจากการที่ตนไม่มีความผิดคือปราศจากโทษทั้งทางโลกคือกฎหมายบ้านเมืองหรือทางธรรมคือศีลธรรมทางศาสนาโดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะถูกลงโทษตามพระราชกำหนดกฎหมายหรือต้องตก ไปสู่อบายทุขติเพราะบาปทุจริตที่ทำไว้เป็นขิหิสุขประการที่สี่ปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่กล่าวถึงกันมากคือเรื่องการอยู่ดีมีมีสุขและความยากไร้มีทุกข์ของประชาชนเรียกว่าปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจนั้นมีนิยามความหมายว่า งานอันเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนเป็นเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์ในชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่มากทั้งในส่วนชนชั้นปกครองและประชาชนภายใต้การปกครองต้องการการประยุกต์หลักธรรมทางาศาสนา กับหลักเศรษฐกิจคือความสุขที่เกิดจากหลักสุขของคริหัตทั้งสประการที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของชนชาติไทยนอกเหนือจากทรงเพียบพร้อมด้วยทวีปสพราชธรรมทั้ง10ประการยังทรงเอาพระทยใส่ในราชสังฆา คือหลักการสงเคราะห์พลเมืองสี่ประการได้แก่หนึ่งศัตเมทะทรงมีพระปีชาสามารถในพระในพระบรมราชโชบายเพื่อบำรุงพืชพันธัญญาหารส่รงเสริมการเกษตรให้สมบูรณ์ดังเช่นทรงพระกรณาปวกระเ้าปูกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีจรดพระมงคล จรดพนางคันแรกนาฝันและทรงนำพันพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้าวพันธุ์ดีมาพระราชทานแก่หน่วยราชการและประชาชนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกของเกษตรกรสองบริษะเมทะทรงมีพระปีชาสามารถในพระบรมราโจบาย บำรงขร้าราชการที่สุจริตมีความรู้ความสามารถให้มีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงศกแก่ประชาราชดังพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานลูกเสือแห่งชาติณค่ายลูกเสือวชิราวุธเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512ว่าในเบื้อนเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ สามสัมาปาษะทรงผูกใจะดุงผสานน้ำใจประชาชนไว้ด้วยพระปรมราาโชบายส่งเสริมอาชีพเช่นทรงส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่นอันเป็นสิ่งเสพติดให้โทษและโปรดให้เปลี่ยนมาประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและได้ผลดี เช่นปลูกพืชในถิ่นหนาวทดแทนเป็นการชุบชีวิตใหม่แก่ชาวไทยภูเขาเป็นจำนวนมากซีวาจะไปะยะทรงมีวาทะดูดดื่มใจเช่นได้พระราชทานแนวความคิดประจัะกษ์เศรษฐกิจพอเพียงอย่างลุ่มลึกโดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2517ว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยซสรมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปประชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระราชทานไว้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสพนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า20ปีก่อนมีวิกฤต ก, การทางเศรษฐกิจในปีพศ2540 และเมื่อภายหลังเกิดวิกฤตการนั้นแล้วก็ได้ส่งเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาตสามารถใช้เป็นแนวการดำรงอยู่ และการปฏิบัติงานของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับพลัดทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆมาใช้วางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันก็จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักปฏิบัติในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบครอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีคุณลักษณะโดยสรุปดังนี้ หความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบครอบสามมีภูมิมีภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่นคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนานคตเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงสองประการคือ 1. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบครอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อความให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติสองเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องสร้างที่จะต้องเสริมสร้างความมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์จุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเมื่อวันที่สี่ธันวาคมพศสองพนสาณสาลาดุสิดาลัย พ, พระธรรมกิรดาระหูานในที่ประชุมของข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มาเข้าเฝ้าทุนละ อ, องทุลีพระบาทเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนพรรษาได้ทรงมีพระราชดำรัสถึงคุณค่าของการลงทุนในการสร้างรากฐานของประเทศชาติเช่นการสร้างเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์เพื่ออำนวยผลผ ล, ผลิตที่ดีของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นเครื่องป้องกันอุทกภัยแก่ประชาชน โดยต้องยอมขาดทุนในส่วนคอรัฐแต่ให้ผลในการป้องกันภัยพิบัติในผลิตภาพและการอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพของประชาชนโดยตรัสอย่างลึกซึ้งชวนคิดพิจารณาว่าการขาดทุนนั้นเป็นกำไรของพวกเราทรงขยายความให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าการที่รัฐ ยอมขาดทุนในการสร้างโครงสร้างรากฐานหรือโครงสร้างพื้นฐานจะกลายเป็นกำไรอย่างกว้างไกลภายสารคือมีผลได้ผลดีแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในภายหลังหรือในส่วนจุลภาคคือเศรษฐกิจระดับครัวเรือนทั่วไปก็ส่งให้พิจารณาทฤษฎีใหม่ไม่เพ่งผลกำไร หรือความคุ้มทุนในระยะสั้นแต่ให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวไกลความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดดทำให้ไทยสามารถยกระดับตนเองจากประเทศรายได้ต่ำขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางและสูงในระยะเวลาสมทศวรรษ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมือเพื่อพัฒนาเพื่อการพัฒนาผ่านกลไกความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศในการพัฒนาบทบาทการเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในเวทีโลกโดยรากฐานสําคัญคือทุกภาคส่วนของไทย ดำเนินการโดยยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมาหากษัตริย์นักพัฒนาประมุขแห่งประชารัฐไทยที่ได้ทรงริเริ่มดำเนินการนำร่องไว้กว่า4ี่สิปีมาแล้วพระราชจริยวัตรและพระบรมราชโบาย ดังได้สรุปวิสัชนามานี้เป็นไปตามแนวพระบาลีพุทธภาษิต ท, ที่อัญเชิญมาเป็นอุเทสบทแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัดเซเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัดสังวิปุลังสุขังซึ่งแปลความได้ว่า ถ้าเล็งเห็นประโยชน์สุขที่กว้างใหญ่ไพยบูนพระยอมสละความสุขส่วนน้อยคนฉลาดเมื่อมองเห็นความสุขอันไพยบู์ก็พึงยอมสละความสุขส่วนน้อยเสียดังได้แสดงมารัตนนตยานุภาวีนาะรัตนนตยเตชะสงัง ด, ด, ด้วยเดชานุภาพของพระรัตนไตร อันเป็นนิรัติสัยอุดมสรณะของชาวพุทธทั้งหลายขอสมเด็จบรมมาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงพระกระเสริฐสำลาญเจริญพระชนามายุยิ่งยืนนานขอรัฐบาลจงมีสติปัญญาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันตราย ความยากลำบากทั้งหลายและประสบควาสมสาเร็จในการบริหารจัดการประเทศตามวัตถุประสงค์พิเศษที่ประกาศไว้ทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยบัตฑหารในมัตตาสุขปริจจาคกคขานว่าด้วยการยอมสละประโยชน์สุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขอันกว้างใหญ่ไพยบูร ต้องจบลงตามการนิยมสมสมัยขอยุติเทศนาในไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนีย์ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังที่ปะเมวะสมิเชตุ สัพเพปูเรนตุสังกปางจันโทปนรสโสยถามนิโชติรสโสยธาสัพพิตโยวีวัชชันตุสัพพรโรโวินั ส, สตุมาเตภวัตวันดราโยสุขีธีคายุโกภะวะอภิวาธน์ศีริสะนิจังบุตธาปจายโน จตารธรร ม, มวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง